ตอนที่แปดสบสามทำความดีทางอ้อมเคอร์อเรอร์โจจีเ้เย่ถลึงตาใส่พลางตำหนิที่เธอปากมากทําไมคะฉันพูดผิดที่ไหนมีอย่างที่ไหนลูกสาวแท้ๆเจอหน้าพ่อแท้ๆกลับไม่พูดอะไรเลยสักคําถ้าไม่ใช่ไม่มีการศึกษาแล้วจะเรียกว่าอะไรลิวเคอร์เอเบ้ปากพลางพูดอย่างไม่พอใจว่านี่ฉันช่วยคุณอบรมสั่งสอนนะไม่ว่ายัางไงคุณก็จ่ายค่าเลี้ยงดูไปแล้วเงินจํานวนนี้จะเสียเปล่าไม่ได้ค่าเลี้ยงดูนั่นมันเป็นสิ่งที่เขาควรจะจ่ายอยู่แล้ว นอกจากจ่ายเงินแล้วเขาเคยทำอะไรอีกหลายปีมานี้เคยเหลียวแลสองแม่ลูกนั่นบ้างไหมเจ้าชุนฮาวาด่ากลับอย่างไม่เกรงใจนางรีบกลับไปทำข้าวเย็นให้ลูกสภัยเดิมทีไม่อยากจะสนใจคนสองคนนี้เลยแต่พวกเขากลับชอบมาเสนอหน้าต่อหน้านางเสียจริงแถมยังพูดจาถักฐานขนาดนี้ต่อหน้าเสียหวานโจจี้นี้มันหน้าด้านจริงๆคุณป้าคะที่คุณพูดมามันไม่ถูกนะให้เงินแล้วไม่เรียกว่าดูแลหรอ เหลเคอเอเถียงกับเธอทำถ้าเหมือนจะเปิดศึกโต้เถียงกับเจ้าชุนฮวาขนาดใหญ่แต่ถูกโจจี้นเยาลากตัวออกไปเสียก่อนพอได้แล้วเธอลืมไปแล้วหรือไงว่าตัวเองถูกขังอยู่ตั้งเดือนหนึ่งช่างเป็นพวกเจ็บแล้วไม่จำจริงๆหรือว่าเธออยากจะกลับไปนอนในคุกอีกหน้าอกของโจจี้นเยาะกระเพิ่มขึ้นลงตามจังหวะหายใจเขาพยายามสงบสติอารมณ์เมื่อเอ่ยปากอีกครั้งน้ำเสียงจึงอ่อนลงเล็กน้อยจำใส่หัวไว้เลยนะต่อไปห้ามไปมีเรื่องกับเสียวหวานหรือคนตระกูลเจิ้งเด็ดขาด ตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้พันแล้วเจิ้งอวินชงจะจัดการฉันเมื่อไหร่ก็ทำได้ง่ายๆฉันยังอยากจะอยู่ในเขตทหารต่อไปถ้าแม้แต่ฉันยังต้องตกงานเราสองคนคงได้อดตายกันจริงๆแน่ฉันฉันก็แค่รู้สึกไม่คุ้มแทนคุณเงินตั้งพันกว่าหยวนจ่ายออกไปแล้วแต่ลูกสาวกลับไม่ยอมรับคุณเลยต่อไปเราก็อย่าหวังเลยว่าเด็กน่านจะมาปรนิบัติเลี้ยงดูคุณลิวเคอเคอรีปลอบโจเจี้นี้ไม่ให้โกรธตอนนั้นเธอแค่รู้สึกโมโหโจนเผลอพูดออกไปเท่านั้นเอง ถ้าหลีหวันยอมเรียกเขาว่าพ่ออย่างมีมารยาศักคำหลิวเคอร์เคอก็คงไม่โมโหขนาดนี้นี่มันเข้าตำราเอัสลาเปล่าไปปลาใส่สุนัขแท้เสียของเปล่าหลิวเคอเคอร์อิจฉาหลีชิงผิงและลูกสาวที่ได้ไปเสวยสุขอยู่ในตระกูลเจิ้งทำให้ชีวิตของเธอถึงยิ่งอยู่ยิ่งแย่ลงละ่ะไม่ยุติธรรมเลยแน่นอนว่าคําพูดบางอย่างเธอไม่กล้าพูดต่อหน้าโจวเ จ, เจเี้ยนเย่ยได้แต่ดาทออยู่ในใจเท่านั้นโจวเจเี้ยนเย่ยได้ยินดังนั้นก็ขมวดคิ้ว ฉันให้เงินไม่ได้หวังจะให้ลูกมาปฏิบัติในอนาคตแล้วคุณหวังอะไรล่ะคะลิวเคอเคอถามกลับอย่างไม่เข้าใจโจเจียนเย่ยตอบเสียงเรียบว่ามันคือความรู้สึกผิดหลายปีมานี้ฉันไม่ได้ทำดีกับสองแม่ลูกนั่นเลยเงินพวกนี้ถือเป็นค่าชดเชยของฉันไม่เกี่ยวกับค่าเลี้ยงดูเลยสักนิดอีกอย่างนี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเราเธอไม่ควรเข้ามายุ่งลิวเคอเคอรกลายเป็นคนนอกในพิรุธตาเธอได้แต่มองโจเจียนเย่ยอย่างอึกอักวันนี้ไม่อยากทะเลาะ ก, กับเขาเธอจึงต้องยอมอดทนไว้ เธอได้แต่หวังว่าลูกในท้องที่เกิดมาจะเป็นผู้ชายเพื่อที่เธอจะได้เป็นแนวร่วมเดียวกันกับนิวซูเฟิรนได้แต่ถ้าเป็นลูกสาวก็ไม่เป็นไรถือว่าออกดอกก่อนแล้วค่อยออกผลตามมานิ้งช้างเหอเฝ้ารอวันรอคืนในที่สุดเขาก็ได้เห็นลีหวานมาเยือนอีกครั้งเขาถามอย่างกระตือรือร้นทันทีว่าเอามาด้วยไหมลีวหวานตอบรับเบาๆเอามาค่าเราไปคุยกันที่หลังร้านเถอะเข้าใจแล้ว นิ้งช้างเหรอรีบนำทางไปพลางพูดไม่หยุดคุณภาพดีเหมือนครั้งก่อนไหมถ้าขาดไปสักสิบกว่าปีก็ไม่เป็นไรขอแค่ของดีฉันให้ราคาเต็มที่แน่นอนหลหวันหยิบของที่เขาต้องการออกมาจากกระเป๋าสะพายใบเล็กนิ้งช้างเหอถึงกับประคองรับด้วยสองมืออย่างตื่นเต้นจนเก็บอาการไม่อยู่ร้อยปีที่เธอเอามานี่เป็นสมร้อยปีทั้งนั้นเลยดีมากดีจริงๆ ลิวันรอจนเขาตรวจสอบเสร็จหนิงช้างเหิรักษาคำพูดครั้งนี้เขาให้ราคาสูงกว่าครั้งก่อนเกินเท่าตัวแถมยังจ่ายเป็นเงินสดอีกด้วยแม่หนูตอนออกไปต้องระวังหน่อยนะหรือจะให้ฉันจัดคนงานที่ร้านไปส่งเธอที่บ้านดีไหมลิวันยิ้มบางบางพรางเก็บเงินเข้ากระเป๋าซึ่งความจริงคือส่งตรงเข้ามิติไปทันทีไม่ต้องส่งรอกข้าไม่รบกวนคุณดีกว่าโธ่เราสองคนร่วมงานกันเป็นครั้งที่สองแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นเพื่อนกันอย่าพูดว่ารบกวนเลย หนิงชังเฮอพูดอย่างอารมณ์ดีไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกแม่หนูบอกความจริงกับฉันหน่อยเถอะที่บ้านเธอยังมีสมคุณภาพแบบนี้อีกไหมถ้ามีคราวหน้าถ้าฉันต้องการจะได้ติดต่อเธออีกมีนั่นมีแน่นอนขคาเท่าแก่แต่โสมไม่กี่หัวนี้ก็พอให้คุณใช้แล้วที่สมร้อยปีราคาสูงก็เพราะมันหายากถ้ามันเกลื่อนกลาดเหมือนผักัดขาวที่มีอยู่ทั่วไปมันก็ไม่มีราคาหรอกค่ะหรีหวานกล่าวฉันเข้าใจ นิงช้างเหอรู้ดีถึงสิ่งที่หลีหวันสื่อถ้าฝ่ายนั้นต้องการสมร้อยปีเท่าไหร่เธอก็หามาให้ได้หมดมันจะดูไร้ค่าเกินไปสมร้อยปีเดิมทีก็หาได้ยากยิ่งอยู่แล้วนิงช้างเหอมองหลีหวันด้วยสายตาชื่นชมเธอฉลาดมากอายุยังน้อยแต่กลับทําธุรกิจเก่งขนาดนี้อนาคตต้องไม่ธรรมดาแน่นอกจากความร่วมมือครั้งนี้แล้วเรื่องคราวก่อนฉันต้องขอบคุณเธอด้วยนะเมื่อพูดถึงตรงนี้สีหน้าของนิงช้างเหอก็เคร่งขรึมขึ้น ฉันไม่นึกเลยว่าพ่อค้าสมุนไพรที่ร่วม ง, งานกันมาสิทกว่าปีจะกล้าทำเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่สมุนไพรชนิดนั้นชนิดเดียวที่มีปัญหาแต่สมุนไพรชนิดอื่นในร้านของฉันอีกหลายอย่างก็มีปัญหาด้วยสมุนไพรที่มีปัญหาเหล่านั้นฉันจัด ก, การทิ้งไปหมดแล้วโชคดีที่ไม่ใช่สมุนไพรอันตรายถึงชีวิตไม่อย่างนั้นชื่อเสียงร้านของฉันคงป่นปี้แน่ นิ้งชังเหอะแค่เสียงหึดฮัดยิ่งพูดยิ่งโมโหฉันเอาสมุนไพรไปคิดบัญชีกับทางนั้นใครจะรู้ว่าเขาไม่ยอมรับแถมยังหาว่าฉันเป็นฝ่ายผิดสัญญาตะโกนเปล่าประกาศจะให้ฉันชดเชยตอนนี้กําลังฟ้องร้องกันอยู่ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ไม่ว่ายังไงก็ร่วมงานกับคนแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต่อให้สุดท้ายจะแพ้คดีฉันก็ยอมพวกเขาคงไม่ได้ส่งให้แค่ร้านของเท่าแก่หนิ้งร้านเดียวหรอกถ้าคุณอยากชนะคดีลองติดต่อช่องทางส่งสินค้าเจ้าอื่นๆของเขาดูสิคะถ้าผนึกกําลังกกกันนนโอาสสชะะ็จะูงขึ้ การขายสมุนไพรปลอมก็คือการทำลายชีวิตคนวิธีที่หลีหวานเสนอมานั้นเป็นสิ่งที่นิงช้างเหอคาดไม่ถึงเขาชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะอุทานออกมาว่าเป็นวิธีที่ดีมากทําไมฉันถึงนึกไม่ออกนะนิงช้างเหอรู้จักร้านอื่นๆอีกสองสามแห่งจริงๆเขาจะรีบไปติดต่อทันทีเชื่อว่าทางนั้นก็คงไม่ยอมปกป้องคนพวกนี้แน่แม่หนูถ้าครั้งนี้ฉนันชนะคดีเธอจะเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของร้านเราฉนันจะถือว่าติดค้างน้ําใจเธอครั้งหนึ่ง ขอแค่เป็นสิ่งที่อยู่ในขอบเขตความสามารถของฉันเธอจะขออะไรก็ได้ตามใจชอบเลยเท่าแก่ น, นิงคุณไม่มองว่าฉันเป็นเด็กน้อยก็ดีมากแล้วข้าฉันไม่มีข้อเรียกร้องอะไรจากคุณหรอกต้องรู้ว่าถ้าเป็นเท่าแก่คนอื่นคงไม่ทําธุรกิจกับเธออย่างเป็นทางการแบบนี้แนะ่หลิวันเองก็ถูกใจในนิสัยของเท่าแก่นหนิงเช่นก็มีเพียงคนที่มีนิสัยทิ้งทําแบบนี้เท่านั้นที่จะทําธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นได้ ก, ไดการทําธุรกิจต้องมองการไกลาการมองแค่ระยะสั้นนั้นใช้ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้นฉันรู้สึกว่าคนพวกนี้ขาดจริยธรรมเกินไปคนที่เสียเงินก็เพื่อรักษาชีวิตไม่ใช่เพื่อให้ตายเร็วขึ้นลหวานถือว่าเป็นการทําความดีทางอ้อมในอีกรูปแบบหนึ่ง